กราบนวัสการพระสงฆ์ทุกรูปพระครูเจ้าทุกท่านและก็ขอเจริญในสุขในธรรมญาติโยมผู้เป็นลูกหลานญาติมิตรญาติสนิทมิตสหายของท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้เมตตามาเป็นเกียรติเป็นกำลังใจของท่านเจ้าภาพทั้งหลาย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 นะต้องทําดีกว่าธรรมดาดังนะนั้ น, นส่วนทั่วไปเป็นการไม่ต้องแปลเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนแล้วเราแปลไม่ใช่เรื่องธรรมดาดังนะนั้นเองวันนี้อภิธรรมมันอาจจะไม่ใช่เจคัมภีรนะ์เราก็ฟังแล้วกันที่ไม่ใช่เจ็ดเป็นยังไงคําว่าอภิธรรมเนี่ยสมัยก่อนท่านใช้คําว่าปร ม, ารมัตถธรรมใช้คำสองคาคือส ม, มุติธรรมกับป ร, ม, รมัตถธรรม แค่แค่สองคำนะต่อมาก็มาเป็นสามขึ้นมานะมาเป็นพระวินยัยพระสุตันตและพระอภิธรรมเป็นสามขึ้นมานะพระพระวินยัยตอนแรกก็มีพระธรรมและวินยัยต่อมาก็เป็นพระอภิธรรมนะฉะนั้นจึงไม่เป็นเรื่องที่ธรรมดาเราก็จะได้กล่าวต่อไปและทํำไมเราจะต้อง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 ถามว่าเพื่ออะไรทําไมต้องวิ่งไปวิ่งมาให้ลาบากเ่ะเอออยู่ไม่รู้สวัสด์ช่นดาววันหนกระดูดเศษมนะันห่างกันไม่รู้เท่าไหรนะ่เนี่ยทำไมท่านวิ่งไปวิ่งมาไม่ลําบากหรือคิดกันมั่งไหมไม่คิดเพราะว่าเราเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องคิดแต่วันนี้เราต้องคิดเพราะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะดังนั้นเองอภิธรรมเจ็ดคำพีอ่าแล้วก็เป็นพรรษา ท, ที่เท่าไหร่นะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงหลังจากที่พระ อ, องค์ตรัสรู้แล้ว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 มาปรบว่าแต่มันก็ตรงกับที่ท่านไปโปรดไปยุลายาดหลังจากแต่สิริเจ็ดปีใช่ไหมที่ท่านเสด็จไปที่เมืองกบิลพัทนะพรรษาที่เจ็ดเหมือนกันเออพรรษานั้นไปไปจําพรรษาที่นครกบิลพัทเพื่อโปรดญาติใช่ไหมแล้วพรรษาที่เจ็ดเหมือนกันเอ่อประวัติศาสตร์ตัวนี้ขัดกันหรือเปล่าพรรษาที่เจ็โปรดพระไปยุญาตาที่เมืองกบิลพัทบอกพรรษาที่เจ็ดเหมือนกันท่านเสด็จไป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 ประสูตรให้ประสูติการแล้วกี่วันกี่วันนะสามวันห้าวันเจ็ดวันกี่วันกันแน่อ่าเจ็ดวันนะมีเหตุการณ์เจ็ดวันเกิดขึ้นบรรดาชินพระชนแล้วตามประวัติบอกว่าท่านไปจุติและไปจุติไปที่สวรรค์ชั้นดุสิตอันนั้นเราบอกว่าไปแสดงคมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็อยู่คนละชั้นกับพระมารดาใช่ไหม ธรรมดาไปไปสูตรไปอยู่ติอยู่ชั้นดุสิตนะแล้วสวรรค์มีกี่ชั้นกันล่ะอ่าหกชั้นน่า จ, จะมีเจ็ชั้นน่นเนาะเพราะทั้งเจ็ดคอมพีทําไมหกชั้นนะหลักฐานสักขัดแย้งกันอ่าทีนี้ในอ่าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่หนึ่งก็คือสวรรค์ชั้นอะไรจารุมหาราช ชั้นที่สองสวรร์ชั้นดาวดึงชั้นที่สามสวรร์ชั้นยามาชั้นที่สี่สวรร์ชั้นดุสิตชั้นที่ห้าสวรร์ชั้นนิมานรดีชั้นที่6สวรร์ชั้นปรินิมิตาสวัสดีใช่ไหมสวรรษหกชั้นนะทีนี้แต่ละแต่ละชั้นก็จะมีเจ้าผู้ ะนะักเจ้าของสวรรค์วันนี้จะไม่ลงลึกในรายละเอียดเพราะเวลาไม่พอนะเอาเฉพาะที่จําเป็นนะเฉพาะที่จําเป็นแล้วก็สวรรค์ชั้นดุสิตมันตรงกับประเทศไทยหรือเปล่าดุสิม ah ตมหาวิสนสะัตว์เนอะเอาไปเป็นชื่อตั้งสวรรค์นะชื่อตั้งของสวรรค์นั่นเองในส่วนนี้อาจมาเคยไปเผยแพร่อยู่ที่ อ, อเมริกานะที่เนวาดา ไปญาติโยมเขาถวายที่สร้างวัดในศูนย์หลวงพเทียนอยู่ที่拉斯วิกัสรัฐเนวาดาก็ไปมาทุกปีเกือบยี่สิบปีแล้วทีนี้ฝรั่งคนหนึ่งมันถามเพราะฝรั่งที่เป็นบาทหลวงแต่ละคนเนะ่เขาเรียนพระไตรปิฎกของเราด้วยนะเขาศึกษาผู้ศาสนาเป็นอย่างดีเขามาถามบอกว่าพระพุทธเจ้าช่วงที่ท่านพระจุมานนะ่ะ ตามประวัติบอกว่ามีแม่ธรณีผุดขึ้นมาจากแผ่นดินแล้วบีบมวยผมจนน้ำหลั่งออกมาจากมวยผมของแม่ธรณีใหญ่ยยหลวงเท่ากับแม่น้ำเจ้าพยาสามารถท่วมทับหมู่มานตายหมดวางั้นนั้นแสดงว่าแม่ธรณีมาช่วยพุทีเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยกับมาร ถ้าหากว่าแม่ธรณีไม่มาช่วยผู้ทีเจ้า ก, ก็คงจะต้องสูญเสียบาลังให้กับมารใช่ไหมนั้นแสดงว่าพระศาสดาของท่านไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยถ้าไม่มีแม่ธรณีก็คงจะแพ้มารแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านว่าเป็นอย่างนั้นไหมอูอามาเจอคําถามใหญ่เลยนะคุยฉันมาขนาดใหญ่เลยว่าเอจะตอบอยังไงดีอามาก็ถามว่าคุณเคยทานผลไม้ไหมทาน อ่าแล้วสมมุติว่าคุณทานทุเรียนด้วยกันคุณจะกินส่วนไหนของมันกินส่วนเนื้อเวลาคุณไปซื้อทุเรียนเนี่ยคุณจะเป็นต้องซื้อมาทั้งลูกใช่ไหมใช่แล้วคุณกินเปลือกมันด้ไหมไม่กินอ้าวทำไมคุณซื้อมาทำไมอ่ะเออเออจะหาคำตอบยากแล้วคุณกินไม่ได้คุณซื้อมาทำไมแล้วเม็ดมันคุณกินได้ไหมไม่ได้แล้วคุณต้องเอาเม็ดมันไหมเอาแล้วซื้อมาทาไมบอกมันมาด้วยกัน แล้วผลไม้เนี่ยมันมีแต่เนื้อมาอยู่ได้ไหมไม่ได้มีเปลือกด้วยชั้นใดก็ดีพระพุทธศาสนานั้นมีสองส่วนส่วนที่เป็นสมมุติและส่วนที่เป็นปรมาตร์ส่วนที่เป็นสมมุติคือเปลือกของมันเป็นสมมติเปลือกทุเรียนและในส่วนที่เป็นปรมัตร์คือเนื้อของมันคือส่วนที่ทานกินได้เพราะฉะนั้นอันนั้นประวัติศาสตร์และพุทธประวัตินั้นเป็นเปลือกของ มันเรียกว่าสมมติธรรมแล้วในส่วนที่ท่านตรัสรู้นั้นและท่านพ้นทุกได้นั้นเป็นเนื้อของมันที่ท่านบริโภคได้แต่เราจะบอกว่าผู้ทีเจา้าประสบเจา้าชนะมารโดยอาศัยหลักสองประการคือแม่ธรณีได้แก่ขันติธรรมบีบมวยผมได้แก่ใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ทีเจา้าทรงชนะความคิดอันเป็นมารอากุโสนของ ท, งท่านด้วยคุณธรรมสองประการคือขันติและปัญญา พูดแค่นี้จบนั่นคือปรมัทิตย์แต่ทําไมต้องแต่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าต้องมีแม่ทรีนิยกพญามารยกกองทัพมามาโหลานมาขย่าวบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ทาไมต้องแต่งส่วนนั้นไว้เพราะว่ามันเป็นเปลือกแต่ถ้าหากว่าขันติและปัญญาถ้าไม่มีเปลือกคุุมเนี่ยมันอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นปรมัทิตย์ไม่มีใครจําได้เพราะเป็นปรมัทิตยสภาวะ แต่เรื่องราวและนิทานประกอบนั้นเป็นโดยสมมุติภาวะเอามาประกอบกันเข้าจึงเป็นเรื่องราวเหมือนทุเรียนหนึ่งลูกเวลาคุณใช้คุณก็ทิ้งเปลือกมันไปฉันใดก็ฉันนั้นโอ้ฝรั่งฟังแล้โอ้โหขนาดนั้นเลยลึกซึ้งขนาดนั้นเลยใช่คุณรู้แต่เรื่องสมมติแต่คุณไม่รู้เรื่องปรมาจารย์แล้วฉันจะรู้เรื่องปรมาตา์ได้ไงมีอย่างเดียวคุณต้องทาวิปัสสนา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 ภาวะรู้ตื่นเบิกบานคุณมีความรู้ไหมมีความตื่นตัวคุณมีไหมมีความเบิกบานในบางครั้งบากขาวคุณมีไหมมีนั่นแหละคุณมีพุทธะเหมือนกันแม้คุณไม่ใช่พุทธเพราะมันเปลือกมันอาจจะเป็นมังคุดและลำไยแต่เนื้อในมันกินได้ทุกชาตินะอาจจะเรียกเยนื้อในไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเนื้อรสชาติไหนก็ตามชิมแล้วเหมือนกันหมดไปเจอตรงนี้ออเพราะฉะนั้นในส่วน นิทานชาดกต่างๆในเรื่องของสวรรค์หกชั้นก็ดีพรมส6หก็ดีก็มีทั้งเปลือกและทั้งเนื้อมีทั้งสมมติมิสัจจะและมีทั้งปรมัตารยสัจจะดังนั้นอภิธรรมก็คือตัวปรมัจพระวินัยและพระสูตรเป็นตัวสมมุติในตัว นะพระวินัยและพระสูตรเป็นสมมุติตพระอภิธรรมเป็นปรมัาทในสมัยต้นด้านเรียกว่าปรมัตธาธรรมและสมมุติธรรมต่อมาเมื่อมีการสังคยานาก็แยกเป็นพระวินัยพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมแยกกันออกมาเพื่อความ <c oughs> สะดวกในการใช้หมวดจัดหมวดหมู่เท่านั้นเองนะดังนั้น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 เขานิมลไปที่เกาะ ห, หนึ่งเรียกเกาะสุลาบายามีผู้เฒ่าคนหนึ่งที่เป็นาทายิกาของวัดอายุ94ปีดูแลรักษาวัดได้ละท่านอามอรณาภาพหรือตายลงก็นิมลพระไปสวดทีนี้พระก็ไปกันนะมาไปกันตอนนั้นสามสี่รูปก็ปรากฏ ว, ว่าทายกทดีกาเพราะชาวพุทธในอินเดีเซียก็เยอะเหมือนกันนะเยอะมาก ก็ชาวพุทธก็ามากันทั้งหมดนุ่งขาวห่มขาวเขาไม่ได้นุ่งดำห่มดำอย่างเรานะเขานุ่งขาวห่มขาวมาก็ปรากฏว่าญาติโยมเขาค่อยสวดพร้อมกับพระเลยนะเขาบอกบางครั้งในเกาะ น, นี้เนี่ยพระไม่มีแต่นี่พระคุณจเจ้ามาโดยบุญของ ทายิกาวัดทั้งท่านนี้ไม่ได้นิมนต์ไว้ก่อนนะไปเดยบังเอิญเพราะโยมเขานิมนต์ไปไปเผยแพร่ไปเทศนาเรื่องวิปัสนาแต่ว่าโยมทายิกาตายในช่วงนั้นพอดีพอตรมาก็เลยได้ไปสวดเลยว่าด้วยบุญของทายิกาคนนั้นคนอายุก้าสิบา่าทำไมใสขนาดนี้โสดใสเลยนะแล้วก็หน้ายังยังดูประมาณควรสัก70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 ยากขึ้นเพราะพุทธศาสนาถูกภัยเบียดเบียนหลายด้านพระเดี๋ยวนี้มีแต่วัดต่างๆบัด น, นอกมีแต่วัดหลวงนะ่ะนะวัดลาดไม่เคยมีแล้วรู้จักไหมวัดหลวงอะไรวัดหลวงตามีหลวงตาเฝ้าไว้วัดละองสององค์่นเนนก็ไม่เคยมีบวชละนั้นเองก็วัดก็จะล้างไปต่างๆทีนี้อภิธรรมเจ็ดคำพีขึ้นต้นว่าท่านใช้คําว่าธรรมสังคีนีเนาะ ก็ขึ้นต้นสวดกุศลธรรมะกุศลธรรมอพยากตาธรรมทที่เป็นกุศลก็มีทมที่เป็นอกุศลก็มีทมที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็มีทมที่ดีก็มีทมที่ไม่ดีก็มีทมที่ยังไม่แน่ก็มีดีมีมีสามธรรมนะหนึ่งธรรมที่ดีสองที่ทมที่ไม่ดีสามที่ทมไม่แน่ไม่แน่นอนว่าจะเป็นอะไรอพยากตะอย่างพยากรณ์ไม่ได้ว่า ม, มันดีหรือไม่ดี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 เห็นไหมสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันมาเองเป็นธรรมดาแต่เราทําให้มันดีนั้นธรรมดาไหมไม่ธรรมดาวันนี้เราขึ้นโดยธรรมดามันได้ลุกตกล่องตรงนี้นะแผ่นเสียงตรกล่องซะแล้วตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้ไม่ว่าวัตถุ ก, ก็ตามนา้มมาำธรรมก็ตามถ้าจะทําให้มันดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้น้ําฝนตกลงมาไหลลงเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันเป็นธรรมดา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 แล้วจะปล่อยไม่สบายไปเรื่อยๆดีไหมพอกายไม่สบายนานเข้านานเข้าจิตมันก็เบื่อนั่งไปนานไม่ไหวไม่รู้พระโ อ, อ้นี้ไปจบเทศเมื่อไหร่กูจะจะกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ย จ, จ, จิตมันก็จะบ่นละจิตมันก็จะเบื่อเพราะอะไรเพราะมันไม่สบายคนเราถ้ากายไม่สบายจิตมันก็จะคิดใช่ไหมมันก็จะฟุ้งไปละคิดโน่นคิด น, น, ดนี่แต่คนเราฟังแล้วรู้สึกจิตสบายเทศทั้งคืนก็ดีแล้วรู้สึกฟังแล้วสนุกอันนี้ข้าจิตเป็นอะไรจิตเป็นกุศลละใช่ไหมก็จะคิดไปทางที่ดีเราก็จะได้บุญนะ นั่นเรจะเห็นว่าเรื่องกุศลอกุศลเดี๋ยไปคิดไปลึกแนะคิดเอาง่ายๆอย่างเนี้ยทานข้าวอร่อยสบายหรือไม่สบายอทานข้าวไม่อร่อยสบายหรือไม่สบายทานข้าวไม่อร่อยไม่สบายเพราะนั้นเวลาเราไปเสื้ อ, อาหารทานน่ยต้องไปร้านที่อร่อยหรือไม่อร่อยร้านอร่อยเพราะนั้นร้านไหนอร่อยนี่มันธรรมดาหรือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทานทํากับข้าวไม่อร่อยนี่ใครทําก็ได้ใช่ไหม เป็นเรื่องธรรมดามากแต่ทำข้าวข้าวน่าอร่อยเป็นพิเศษเนี่ยธรรมดามั้ยไม่ธรรมดาเห็นไหมไม่ธรรมดานี่เป็นกุศลหรืออาุศลเป็นกุศลแต่ความเป็นธรรมดาได้เป็นอาคุศลอ่าเอ๊ชักมั่วหรือเปล่าองค์นี้เอาให้ทันนะตามไม่ทันนะตามไม่ทันนะมั่วแน่เหมือนน่ะมั่วแน่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมะอพยากตาธรรมะเนี่ย ทำที่วิดีคําว่ากุศลเนี่ยทําไมถึงคําว่าบุญกุศลถ้ามันเหมือนกันทําไมไม่ใช้คําเดียวกันที่ทําให้คนละคำไม่เหมือนกันนะคําว่ากุศลเนี่ยพระพุทชาวอินเดียยืมมาจากคําว่าหญ้าชนิดหนึ่งเรียกว่าหญ้ากุศาหญ้ากุศาแปลว่าหญ้าอะไรเคยได้ยินไหมยญากุศาเป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่โสตยพรามณได้ถวายพระองค์ท่าน ระหว่างทางที่ท่านไปลอยถาดกลับมาสู่ที่โพธิบัลลังในระหว่างทางพรามณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าโสธียพพามได้ถวายยาคากี่กำมือแปดกำมือแล้วพระองค์ก็ได้นำยาขู่สานั้นมาปูราดที่อาสนะเหนือบัลลังใต้โพธิบัลลังชื่อว่ายากุา่สานะเรามาแปลเป็นภาษาไทยว่ายายาข า, า, า, ขา <laughs> เราชื่อยาคานั่นแหละ ยาคาเนี่ย ท, ทําไมจึงเอาชื่อของยาคามาตั้งชื่อของกุศลมากุษาเนี่ยเพราะยาคามีคุณสมบัติห้าประการวันนี้โยมชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวเกษตรต้องตอบให้ตรงนะว่ายาคาเนี่ยมีคุณสมบัติกี่อย่างโยมที่เป็นชาวไร่ชาวนามีไหมชาวไม่สดมีคุณสมบัติกี่ประการหนึ่งยะคามีลักษณะเป็นไงยาคามีหนามไหมมีนอนเลยนะอนนึเขาเรียกว่าอะไรข้งมันหนา หนามมันแหลมหรือมันทู่ <Okay. S 1> นามแหลมหนึ่งไม่นามแหลมสองลากสีดําหรือสีขาวรากยาคาลากสีขาวสามราขายากลากยาวหรือลากสั้นาลากยาวไปทั่วเลยนะสี่ยาคาตายง่ายหรือตายยากยาตายยากห้ายาคาใช้ประโยชน์อะไรใช้หลังคาแม้จะคุณจะมุงสังเะสีเมทนชิตกับเบื้องกระดาก็เรียงเรียงเรียกว่าหลังอะไรหลังคา ไม่ได้เรียกว่าหลังวิ่เทนชีตไม่ได้เรียกว่าหลังสังกตสีไม่ได้ว่าเหลียงหลังตะเบือ้องก็ยังเรียกว่าหลังขาเพราะจะมีเพื่อเป็นอนุสรแก่ย่าขาแม้มันจะหมดไปแล้วก็ตามนะก็ยังไม่หมดนะคนคนที่จะมีกุศลก็มีคุณสมบัติาประการหนึ่งคนที่มีกุศลต้องเหมือนรากยาขาคือจิตต้องสะอาดคือจิตขาวเหมือนรากยาขา ยาคานี่ถอนมาแล้วนี่ไม่ต้องล้างนะเคี้ยวกินได้เลยนะอาตมาสมัยเป็นเด็กถ้าหิวน้ําขึ้นมาก็ถอนรากยาคามาเคี้ยวกินหวานด้วยปั่นปลาแรมปลาแรมไม่จัดนะอ่าหนึ่งรากยาวสองคนดีกูศวนนั้นต้องแหลมคมฉลาดและแหลมคมเหมือนรากยาคา่าสามรากยาคานัน่นหากินไกลและยาวลึก คนที่มีกุศลนั้นชอบสแสวงหาสิ่งที่ดีๆที่นําให้เกิดปัญญาแหลมคมลึกซึ้งหากินไกลกันไหมคราว่าชอบหาความรู้ใส่ตัวชอบสแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ใ, ใส่ตัวเรียกว่าอมีคือสแสวงหาไปทั่วอะไรดีๆนะอะไรที่ดีๆเนี่ยย่าคาเมื่อกันมันไปหลายแห่งมันต้องไปสแสวงหาธาตุอาหารใส่รากใส่ต้นของมันสี่ยาา่าคาคุณ ทางแล้วเผาอีกทางแล้วเผาอีกทุกปีมันตายไห ม, มได้น้ำได้ฝนมันก็เป็นไงงามขึ้นกว่าเก่าใช่ไหมวันนี้ถายแล้วมันก็ยังไม่ตายทำไงสมัยนี้งงสใส่ยาดฆ่ายาไปเลยนะโอ้ทารุณ น, นะนะเหมือนกันคนที่มีกุศลมีคุณสมบัติ5าอย่างหนึ่งมีคนเป็นคนใจซื่อมือสะอาดขาวเหมือนลากยาคา สองเป็นคนแสวงหาความรู้และสุ ป, ประสบการณ์ใหม่ๆเสมอเหมือนความลึกและยาวของลัทยาคาสามเป็นคนที่มีปัญญาปฏิพันธ์ใบพิบที่แหลมคมหม น, นามยาคาสี่เป็นคนที่อดทนเขาจะด่าจะว่าจะดินทาจะาว่าร้ายจะเบียดเบียนก็อดทนไม่ตายง่ายๆไม่เสียอารมณ์ง่าย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 ได้สวรรค์ได้ลาบได้รวยได้หวยได้เวอร์ได้โชคได้อะไรไปเรื่อยๆแหละชอบทำบุญแต่การทำกุศล น, นั้นจะต้องทำหนึ่งเว้นชั่วสัพพปปาปัสะสะกระนังสองกุศลสู้ประสัมพทาถึงพร้อมด้วยความรู้จักเลือกและฉลาดเลือกกุศลแปลว่าฉลาดแปลว่าแหลมคม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 ทำดีแต่ไม่ละชั่วคุณจะเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลแต่การสูบบุหรี่การกินเหล้าดีหรือไม่ดีไม่ดีเนะี่ะเขาเรียกไม่ละชั่วอคุณเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างคุณขี้บน่นขี้ดาพูดปูดอซเซียลหลอกลวงอยู่เป็นประจำอันนั้นชอบทําดีแต่ไม่ละชั่วมันถึงทําดีจึงมาบ่นว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีมีโถมไปทําชั่วแล้ว ได้ดีมีถงไปทำดีได้ดีสับสนไหมทำดีทำดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วแล้วได้ดีมีถงไปอันนี้เป็นภาสิทธ์ของบัณฑิตชนหรือภาราชนเป็นภารวัณภารชนเป็นภารภาสิทธ์ไม่ใช่พุทธภาสิทธ์นะเป็นภารภาสิทธ์นะดังนั้นท่านบอกว่าทําข้อที่สามเนี่ย คือทำจิตให้ดีเสมอนะทำกายดีวาจาดียังไม่พอทำจิตให้ดีเสมอถ้าทยใจดีถ้าใจดีแล้วไม่ต้องดีใจก็ได้ถ้าดีใจมันไม่คู่กับเสียใจแต่ถ้าใจดีมันไม่มีคู่นะโอ้คนนี้ผู้ใหญ่นี่ใจดีเห็นหน้าเมื่อไหร่ก็ยิม้มผู้ใหญ่ก็ใจดีเ ห, นหนห เ, เห็นหน้าแรกหน้าเห็นหน้ากค่แล้วอุ่นใจ แต่คนนั้นเห็นหน้าเมื่อไหร่ก็อไม่ค่อยสบายใจและไม่อยากเข้าร้านเลยหน้าบึ้งหน้าบูดหน้าเบี้ยวนี่เขาเรียกว่าใจดีหรือไม่ดีถ้าคนใจดีสังเกตด้วยจะต้องหน้าเป็นไงหน้าบานหน้าไม่หิวน่ะไม่ใช่หน้าบางนะหน้าบานนะคนใจดีนั่นนะเหมือนดอกไม้อะมันจะบานได้แสดงว่าต้นเขาเงากอเป็นไงต้องสมบูรณ์ต้องดีใช่ไหมดอกมันถึงบานเพราะฉะนั้นเรา เป็นคนใจดีไม่ใช่ดีใจเวลาคุณได้ของมาคุณก็ดีใจแต่ว่าถ้าคุณไปหาของไม่ได้ของคุณก็เสียใจถ้าคุณซื้อหวยคุณได้มาถูกหวยก็ดีใจถ้าซื้อแล้วคุณเสียก็เสียใจแล้วคุณไปเล่นคาสิโนที่ฝั่งพม่าได้มาก็ดีใจไปเอาเสียเงินไปหาดีละมืนห้าสองหมืนสามหมนห้ามืนคุณก็เสียใจกลัมาเพราะใจคุณไม่ดีถ้าใจคุณดีนะคุณจะไปเล่นไหม ไม่เล่นเพราะที่ไปเล่นเพราะใจไม่ดีมันจริงเสียใจนะอันนี้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมากุศล ส, สมาไม่ต้องไปไกลกว่าะนะันเอาแค่นี้พอแค่สามพอถ้าจบหมดทั้งข้อนคืน น, นนี้ไม่ได้กลับบ้านกันแน่นนะหลวงพ่อกำลังมองหาน้นาอยู่นะเดีย๋ยวหลังจากบรรยายแล้วเปดิดโอกาสให้ให้ถามปัญหานะครั้งหนึ่งอาจะมาไปอบรม สมัยก่อนอบรมพวกเด็กนักเรียนในในเมืองไทยนะอ้าวใครมีปัญหาอะไรถามยกมือขึ้ น, นยึบทั้งห้องเลยนะขยันขยอใอยถามก็ไม่ถามเมื่อปี40เนี่ยเอามาได้รับนิมนต์ไปอบรมวิปัสนาครั้งแรกที่วัดจงเหยียนรัฐนิวหยกเมืองคาเมลซิตี้อยู่นั้นประมาณหกเดือนทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งในเดือนมิถุนาเนี่ยเาเรียกเป็นซัมเมอร์แคม โรงเรียนต่างๆเขาอยู่ในช่วงเสมอแล้วเขามาเข้าแคมป์เขาเลยเสมอแคมป์ที่วัดนะ่ะเป็ น, น, นวัดจีนวัดจงเหยียนอบรมอยู่สี่วันวันสุดท้ายเนี่ยเขานี่มุนพระไปอบรมเขานี่มุนพระพระส่วนใหญ่เปพระจีนเนาะแต่มีพระไทยจะมาอยู่รูปเดียวเขานี่มุนไปอบรมกรรมาฐานที่นั่นตอนนั้นภาษาอังกฤษยัง ง, งูป่าปาอยู่เลยเขบอกว่าจมาภาษาอังกฤษไม่ดีไม่เป็นไรมีล่ามเมื่อไงน่มีล่า ม, ม, า ม, ามก็เลยไปตอนแรกก็ใช้ล่ําเอามามา ภ า, าษาอังกฤษมันไปยังไงไปเลือกไปของมันทั้งหมดเลยถามสุดท้ายว่าอ้าวอ q u e t i o n please ยกมือกันเพียบทั้งเด็กประมาณสองรอคนนะโอ้หจะตอบกันยังไงเนะี่ยเห็นไหมนี่ความกล้าแสดงออกของของเด็กนะแต่คนไทยเราขี้อายขี้อายนี่เป็นธรรมดาหรือไม่ธรรมดาเป็นธรรมดาขี้อายแต่ไม่อายเนี่ยกล้าแสดงออกเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะนั้นโยมจะเป็นคนธรรมดาหรือไม่ธรรมดาดีก็เลือกเอาก็เลิกกันนะ